เพอนฝั่งที่เคารพคะทานกำลังฟังรายการสันสนีสนทนานะคะผ่านไปสําหรับพระมาชาควาโรวัดนาป่าคงลําลูกกาคลองสิบยังก็โฆษณาทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้ว่ า, าวัดของพระสงฆ์ที่ได้เมตตาให้ความรู้ทางธรรมพวกเรามาตลอดในรายการสันสนีสนทนาสองรูปวัดที่ท่านอยู่เนี่ยจะมีทอดกระถินวันไหนก็ถือว่าจะได้เป็นการาให้ท่านทั้งหลายที่มีความประสงค์อยากจะ ทำบุญกับวัดที่ครูบาอาจารย์เมตตามาสอนเราได้ทราบข่าวนะคะอย่างกับเมื่อวันก่อนก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งว่าติดต่อไปที่สถานีวิทยุแล้วสถานีวิทยุก็บอกว่าให้โทรศัพท์หาดิฉันสำหรับาทางวัดนภาพงศ์มีรายละเอียดแต่ของวัดป่าดอนหายโศกจริงๆให้ไว้ทั้งสองที่แต่ไม่เป็นไรนะคะก็โทรศัพท์มาถามที่ดิฉันก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ไปพบกับพระพบุ์อ ภ, ภิปุโน จากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีช่วงเปิดทําที่ถูกปิดกันเลยนะคะกลับนัสกสการกันทั้งคะเชิญบานทานฝั่งท่านเดียวกันนี้ค่ะก็บอกบอกว่าแต่สําหรับวัดป่าดอนหายโศกทฉันได้ร่วมทําบุญไปแล้วองั้นก็เลถามท่านนะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมอ่าไม่ไปที่วัดเลยล่ะท่านก็เลยบอกว่าอ๋อทีฉันไม่สะดวกเพราะเป็นคนนั่งรถเข็นอ๋อ่าแต่ว่า จะไม่สะดวกกายยังไงศรัทธามีสัญญาณกา็ ส, กา ส, กาสามารถที่จะบริหารศรัทธาให้ทําบุญตามที่ตัวองตั้งใจได้อื ม, อ ม, อมพูดถึงว่าบุญถ้าเราจะให้ได้บุญเต็มที่เนี่ยต้องทําอย่างไรนะคะท่านคะอ่าคือบุญนี่เป็นชื่อของความสุขบุรุษชาบอกแต่ ว, วิธีที่จะสร้างความสุขตรงนี้ได้เนี่ยก็มีอยู่สามระบบคือหมายว่ามีระบบเดียวนั่แหละแต่ว่าด้วยสามวิธีการใหญ่บุรุษชาก็พูดถึงการใช้ของภายนอกนี่ก่อน ใช้ของภายนอกเนี่ยในการที่จะไม่เกิดความสุขได้นะในภายในได้นี่ก็คือเอาให้ทานนะเอาของออกเอาทรัพย์สินต่างๆที่เราหาหาไม่ได้เนี่ยเอาออกนําออกนะด้วยกา ร, รให้ทานอันนี้สร้างความสุขได้ระบบหนึ่งวิธีที่สองก็ใช้ตัวของเราทำนะคือสมมติว่าเราจะฆ่าสาัตว์อย่างเงี้ยเราไม่ฆ่ า, เ, า เ, ร 6, เราไม่พูดโกหกเราไม่พูดเห็นนี่คือรักษาศีลคนะ่แล้วก็ดีที่สุดก็คือใช้ใจของเราทํา คือนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยคือใช้ใจล้างใจก็ยิ่งทำให้เรามีได้บุญมากขึ้นตรงนี้ค่ะทีนี้สำหรับช่วงนี้เดีฉันเข้าใจว่าจะมีการบอกบุญกันเยอะเพราะเป็นเทศกาลใช่บอกบอกบุญเนี่ยสมมติมีใครบอกบุญมาเยอะๆเราไม่รับมากได้ไหมคะ อ, อ๋อก็สามารถทำได้นะคื อ, เ, อ, อเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีคุณโยมติว๋วออท่านพระสารบุตรเนี่ยได้เคย เล่าคาถาไว้คาถาหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าถ้าตัวเองถวอยทานเองนะก็ได้เขาเรียกว่าสมบัติคือทานทสมบัติใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บริบาลสมบัติแต่ถ้าชักชวนคนอื่นให้ทานด้วยตัวเองก็ได้ทานก็ได้โผล่ข้าสมบัติด้วยได้บริบาลสมบัติด้วยทีนี้พอมีพระระเบดีคนหนึ่งก็ได้ยินข้อมูลตรงนี้เขาก็เลยคิดว่าโอ้เฮ้ยแม่งเราจะได้ชักชวนคนอื่นให้ทานกันนะเขาก็เลยไปนิมนต์พระมาฉันที่บ้านเขา พอเขาไปนิมนต์พระมาฉันที่บ้านเขาเนี่ยห้าร้อยรูปอะนะก็เลยประกาศเที่ยวประกาศในหมู่บ้านของตัวเองเลยว่าเอ้าละ่นะพระจะมาฉันที่บ้านแล้วใครต้องการร่วมเอามาว่างนั้นคะ่นะปรากฏว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ขายของเนี่ยะนะขายค<ะ>เครื่องของชําแรงต่างเขาก็คิดว่าอืมไอ้หมอนี่ทําไมไม่รู้จักนิมนต์พระให้พอดีกับตัวเองเนี่ยสมมติว่าถ้า<ะ>ตัวเอง รับพระได้20รูปก็นิมนต์ยีรูปซิทำไมนิมนต์มาเยอะแล้วมาบอกกคนอื่นว่าให้ร่วมให้ทานด้วยทำไมนะ <c oughs> สุดท้ายเขาก็ถือหมอ้อถืออะไรไปขอจากชาวบ้านเนี่ยนะ เ, เศรษฐีคนนี้เนี่ยก็เอานิ้ว3นิ้วของตัวเองเนี่ยหยิบเข้าสารในหม้อของตัวเองไปให้ <c oughs> นะคุณยมติว3นิ้วมันก็ได้นิดเดียวอะนะ <c oughs> แล้วก็เอาปลายยาคาเนี่ยจุ่มลงไปในหม้อน้ํามันของตัวเองแล้วก็สลัดให้นิดนึง นะเอาปลายยาคาจุมไปในม้อ น, น้ําบึ่งของตัวเองแล้วก็สลัดให้นิดหนึง่งมันก็ได้ไม่กี่หยดอะ ต, ตามปลายยา ค, คานะสุดท้ายพอนายคนนี้เห็นเศรษฐีคนนี้เนี่ยให้ให้อาหารอย่างนี้เนี่ยก็เลยเอาไปรวมกับของคนอื่นด้วยเีนะ่เพื่อที่จะเป็นสําหรับทําอาหารถวายพระเนี่ยก็ด้วยมีความคิดในใจว่าเออนะเพื่อให้ได้ทุกคนเนี่ยได้อันนี้สงด้วยกันนะประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงตรงนี้คือว่ามันอยู่ที่เราต้องการทำนะถ้าเขาจะมาบอกบุญเนี่ย เราจะทำมากทำน้อยก็อยู่ที่เรานะผลของทานที่จะให้มันก็มันก็อยู่นะคือสมมติคนมีศรัทธามากๆเลยเนี่ยแต่ทำงบประมาณออกมาแล้วมันให้ได้น้อยหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่ความประสงค์อะศรัทธามากอยู่แต่ว่าความประสงค์ได้เท่านี้ก็ต้องต้องแยกกันไปค่ะงั้นสมมติมีใครสักคนหนึ่งตั้งอาจจะไม่ใช่คนร่ำรวยมากนะักเป็นคนมีเงินพอสมควรแต่พวกมาก เพอถึงฤ ด, ดูการเนี่ยก็ตั้งงบประมาณกันเลยว่าข อ, อเงินเดือนห้าหมืนตั้งใจจะทำบุญหนึ่งในสี่นะหมื่นสองพันห้าสมมตินะคะลแล้วทีนี้ก็คอยรวบรวมจนเกือบจะถึงนาทีสุดท้ายก็ได้เขาเรียก อ, อะไรคะมีมีเหตุแห่งบุญที่ให้ทำเนี่ยหลายกรณี มากก็หารเฉลี่ยไปเพราะยิ่งมามากก็ยิ่งเหลือน้อยแต่ละเจ้าเนยนะคะใช่อันนั้นก็ศรัทธาหมายถึงกุศลเนี่ยยังได้เท่าเดิมไหมคะเอ่อมันก็อยู่ที่ผู้รับด้วยค ะ, ะคือปริมาณบุญจะได้มากหรือน้อยเนี่ยผู้เช่าพูดถึงเหตุอยู่สองส่วนเส่วนแรกเนี่ยคืออยู่ที่ผู้ให้แตถ้าผู้ให้เนี่ยมีศรัทธาในก่อนให้ระหว่างให้แล้วก็หลังให้อันนี้ถือว่าเราควบคุมปัจจัยตรงนี้ได้อนะ แล้วกรอันี้ก็คือปัจจัยที่หนึ่งส่วนปัจจัยที่สี่ห้าและหกก็อยู่ที่ผู้รับว่าผู้รับเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนี้ไหมก็คือว่ามีกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่มีเลยหรือว่ากําลังปฏิบัติเพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะหกอย่างนี้ประกอบกันนันจะทําให้ได้บุญมากมละราคะโทสะโมหะใช่ก็คือหมายความว่าเป็นผ้าอาถารนั่นแหละ ทระราคาโทรศัพท์มือได้หมดเนี่ยหรือว่ากําลังเดินอยู่บนอหาหัรตำมักนั่นเองทีนี้คนรับเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าท่านเป็นยังไงแตว่าคนรับเนี่ยดีไม่ดีสมมติเขาจะเอาเอาเงินไปสร้างพระพุทธรูปอย่างเงี้ยสร้างพระพุทธรูปถวายใครเราก็ไม่รู้อย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เราคงจะต้องพิจารณาด้วยว่ า, าผลบุญที่เราจะหลังจากที่เราให้ทานไปเนี่ยมากหรือน้อยพู้เจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณยมเต๋อเหมือนกับคนที่ เขาเขาจะลงทุ น, น <คะ S 1> อ่ ะ, อะถ้าเป็นชาวนาคือคือเอาเอาข้าวเนี่ยไปหว่านในนาใช่ไหม <คะ S 1> ถ้าเป็นนาที่แปลงที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาจะต้องหวานก่อนแน่นอนต้องทําก่อนนะส่วนนาแปลงที่มันไม่อุดมสมบูรณ์มันเป็นไม่ได้นาเลวเนี่ยนะก็ ท, ทําทีหลังท <คะ S 1> ้ายสุดเพราะฉะนั้นคนจะให้เนี่ยคุณต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะต้องให้อันไหนก่อนนะคือคือหวังส่วนที่เป็นบุญมากกว่าได้มากที่สุดนั่นเอง ก็อยู่ที่ผู้รับนี้เราต้องพิจารณาด้วยถ้าผู้รับมีศีลสมาธิปัญญาแสดงว่าท่านผูน้นี้มีแนวโน้มว่าะจะเป็นผู้ที่หมดราคะโทสะโมหะอยู่อย่างเงี้ยนะมีบางคนบอกว่าชอบทำบุญกับคนมากกว่านะแล้วก็ชอบที่จะปล่อยสัตว์มากกว่าสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะโคกระบือแล้วก็พูดถึงว่าการทำบุญกับพระเวลามีใครมาบอกบุญก็จะพูดบอกว่า ไม่อยากทาบุญดอกกับพระเดี๋ยวพระก็มีข่าวโน้นเดี๋ยวพระก็มีข่าวนี้อืออย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็พระดีๆก็มีนะเอ่อคือพระไม่ดีก็มีแต่เพราะนั้นก็คืออยู่ที่ผู้รับไงเพราะนั้นผู้รับเนี่ยเราก็ต้องเลือกพระเจ้าเคยยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกับพ่อค้าเนี่ยเขาขนสินค้าไปขายตามระหว่างเมืองเนี่ยนะ<า>พอไปถึงเมืองที่มันจะขายไม่ดีขายแล้วก็ขายได้กําไรน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ขายเขาก็เก็บไว้ไม่ขาย แต่เขาก็ขนต่อไปจนถึงเมืองที่มันจะค้าขายได้กําไรดีเขาก็ถึงค่อยขายแล้วเหมือนกันคุณมีปริมาณคุณทําบัตรเจตออกมาแล้วเนี่ยคุณมีก็ประมาณท่าเนี้ยแต่ประนถ้าคุณเจอเนื้อหนาที่ไม่ดีแล้วจะไปหวานให้โง่ทําไมะนะหรือว่าถ้าเจอเมืองที่มันค้าขายไม่ดีก็จะไปขายทําไมคุณก็เก็บไวส้สิอันนี้พระเจ้าให้เลือกนะให้เลือกต้องพิจารณาอืมทีนี้อ่าดิฉันก็ได้ฟังอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องของอนิสงฆ์ของบุญว่าอย่างที่ท่านพูดนะคะคือ มันขึ้นอยู่กับศรัทธาของคนที่จะทำกุศลด้วยในเบื้องต้นถูกไหมคะใช่ใชแล้วว่ามีศรัทธาเต็มที่ก็ได้กุศลในส่วนของการศรัทธาเนี่ยเต็มที่ทีนี้ในส่วนของผู้รับซึ่งบอกว่าถ้ามีศีล ส, สูงเท่าไหร่หรือว่ามีภูมิธรรมสูงใช่ไหมคะใช่ก็จะทำให้ผลบุญนั้นปรากฏมากขึ้นทีนี้สำหรับการให้ คนธรรมดากับการให้ชีวิตสัตว์กับการให้พระสงฆ์สมมุติว่าพระสงฆ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพระอรหรอันต์แต่เป็นพระที่ศีลดีนะคะก็เป็นศีลดีนั่นแหละการที่คนบางคนที่มีความเชื่อในลักษณะนี้ก็ปิดกั้นตัวเองเลยที่เลือกที่จะไม่ทาบุญกับพระอย่างนี้นะคะก็จะเสียโอกาสอะไรไมค่ค่ะหรือไม่แล้วก็ทดแทนกันได้นี่ไงคุณยมติวต้องดูว่าสมมุติเขามีศรัทธากับ คนอื่นที่ไม่ใช่พระอย่างเช่นโคกระบือเป็นต้นแต่ตรงนั้นเขาไปเพิ่มองค์ประกอบสามอันแรกไงแต่สมมติเขาไม่มีศรัทธาในพระเขาก็เป็นลดองค์ประกอบสามอันแรกคือมันมีหองค์ประกอบน ะ, ค, ะคือสามอย่างแรกอยู่ที่ตัวเราเรามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังถ้าเขามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังในโคกระบือตรงนี้เขาก็ได้มากแต่ถ้าเขาจะไม่ให้พระคุณบอกว่าโอ้เพราะว่าพระนี่เอาพระานเลยแต่ว่า3ามอย่างแรกมันน้อยอ่ะ คุณไม่ชอบ <Okay. S 1> พระคุณไม่ได้ให้พระสามอย่างแรกมันน้อยผลบุญก็ได้น้อยเหมือนกันค <Okay. S 1> ่ะอ่าเพาะนั้นซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งนะคือศรัทธาของตัวคนให้เองนะถ้าตัวคนให้ศรัทธาโคกระบือผลบุญนั้นต้องได้มากถ้าตัว mm. คนให้ไม่ศรัทธาพระผลบุญนั้นต้องได้น้อยนะเราไม่ต้องพูดถึงว่าคนรับเป็นใครเลยค <Okay. S 1> อันนี้เอาแค่เอาองค์ประกอบที่เราควบคุมได้ก็พออืดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาใช่ถูกไหมคะ ท, ทีนี้เราก็ต้องพิจารณาโดยรวมด้วยไหมถามว่าไอ้พระองค์นี้เราไม่ศรัทธาแล้วมีพระองค์ที่คุณศรัทธาไหมหรือว่าเนื้อหาบุญที่คุณศรัทธาเนี่ยมันก็จะสองอันรวมกัน่ะคือเราต้องฉลาดตรงเนี้ยค่ะคื อ, ค, อคือเหมือนกับว่าบางทีแบบเห็นภาพรวมเลยในเมื่อไม่แน่ใจก็เลยปฏิเสธทั้งทั้งอยงู่้อนทั้งประเภทอ่าอมันก็ก็ทําให้เสียโอกาสนั่นเอง นะคะอันนี้ท่านไปบวลกลบคูณหารเป็นสูตรคณิตศาสตร์เราเองนะค ะ, ด, คะดิฉันก็กลับเรียนถามท่านเป็นหลักการที่นี่นไหนๆก็ถามมาถึงตรงนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรที่จะถามอาว่าทําบุญนี้ได้อะไรทําบุญนั้นได้อะไรนะคะ <c oughs> ก็อยากจะกลับเรียนถามท่านว่าอย่างเช่นช่วงเทศกาลกระถินน่นจะว่าโดยตรงการทอดกระ ถ, ถิ่นนี้รบกวนท่านกรุณาพูดถึงหลักการแท้ๆจากพุทธการอีกครั้งได้ไหมคะอ๋อก็คือ พระพุทอนุญาตผ้ากรถิ่นเนี่ยจริงๆกรถิ่นเนี่ยหมายถึงผ้านะคุณยมติวเป็นเป็นผ้าที่อยู่ในช่วงฤดูการจึงเรียกว่ากระถิน่นเพราะว่าต้นบัญญัติเนี่ยตอนนั้นเกิดจากการที่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการจะมาพบพระพุทธเจ้าลหลังจากออกพรรษาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฝนมันยังไม่หยุดดีปีนั้นนะก็ะะเลยทําให้จีวร ต, ต่างๆเนี่ยโอ้โหเก่าคร่ําคร่าเละเทอะเปื่อยเปื้อยไปหมดก็เลยอนุญาตให้ภิกษุที่อยู่จำพรรษาในอาวาสเนี่ย มีพันษามีพระสงเก4รูปเนี่ยสามารถรับผ้าพิเศษได้เพราะว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นภิกษุที่สมาทานก็เรียกวาอะไรอ่ะผ้าสามผืนแล้วก็ถือผ้าบางสุกุลก็เลยอนุ ญ, ญาตพิเศษตรงนี้แต่ว่าอ่างั้นถ้าหมกพภรษาแล้วลมีจำนวนภิกษุทรงครบก็อนุญาตผ้พาพิเศษตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่าผ้ากถิน นี่ยโดย ค, คนที่รับนี่ก็ตกลงกันเอาการ น, นะว่าใครจะใครจะเป็นคนรับได้คนเดียวพอแล้วเนื่องจากว่ามันจะต้องทําให้เสร็จสับย้อมเย็บภายในช่วงเวลาที่กําหนดเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นจึงทําได้แค่พื้นหนึ่งสำหรับคนหนึ่งต น, นั้นเองขออนุ ญ, ญาตนะคะจะถามว่าแล้วอนิสง์การถวายผ้ากรถิ่งกับการถวายผ้าทั่วๆไปที่ไม่ใช่ช่วงหลังจากเทศกาลเข้าพรรษาคือถวายสบงจีวรพระ ซึ่งบางคนเนี่ยถือว่าจะไปถวายของพระนี่จะต้องเอาผ้าตรายผ้าสบงจีวร น, นี่ไปค่ะสําหรับคนผู้ให้สําหรับผู้ให้นะพุทธเจ้าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเอถวายผ้านอกช่วงกรินถวายผ้าในช่วงกระถินมีอะไรต่างกันหรือเปล่าแต่สําหรับผู้รับเนี่ยจะมีอันนี้ส่งต่างกันอยู่นะคือสําหรับผู้รับนี่คือพระสงฆ์เนี่ยได้อันนี้ส่งเหมือ น, นนะถ้ารับผ้ากระถิ่นอนะ่ ะ, ะอันนี้ส่งอย่างเช่นว่าไปไหนได้ไม่ต้องบอกลา หรือว่าอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องถือผ้าสามผืนหรือว่าสามารถที่จะบริโภคคณะโภชนาได้คือพวกนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสําหรับพระในการชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้นเองแต่แต่เรื่องบุญเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดถึงอะไรก็คือพูดถึงอย่างที่เรายืนยันไปแล้วสามอย่างแรกคือผู้ให้สมอย่างหลังคือผู้รับแต่ถ้าองค์ประกอบตรงนี้เพียงพอก็คือว่าให้ทานในวิธีไหนก็ได้หมอดีฉันนึกว่าโอ้ถ้าถวายผ้าเนี่ย จะต้องเป็นผู้ที่มีเครื่องนุ่งหมสวยงามตลอดเวล า, <c oughs> าหรือว่าเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากมีเงินมีทองเยอะอธิบายไว้อย่างนี้อันอันนี้ก็มีอยู่ตามปกติอยู่แล้วที่พระเจ้าอธิบายไว้ก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราให้โภคทรัพย์เราก็จะเป็นผู้ได้ซึ่งโภคทรัพย์อย่างเงี้ยน ะ, ะอันนี้ให้ทานก็จะเป็นผู้ที่ทําให้มีชื่อเสียงบรลือไปองเี้ยเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่คัดขวางมันนี่พระเจ้าพูดอยู่โดยทั่วไปแล้วแต่แต่ไม่ได้แบ่งแยกแตกต่างกันระหว่างอภาติน พิเศษเพิ่มม า, าผ้าธรรมดาแตกต่างกันไปไม่ได้ไม่ได้ระบุ ต, ตรงนั้นอืมค่ะอีกคําถามหนึ่ ง, งคือ<า>ทอดกระถิงสมัยใหม่ น, น, นะคะตั้งแต่ดิฉันเด็กเลยด้วยซ้ําก็จะมีนอกเหนือจากการถวายผ้าพ่วงเข้าไปด้วยทุกครั้งะคะ่ะบางคนก็เรียวกว่าเป็นบริวารกระถิงใช่นะคะบางคนกลอาจจะบอกว่าเป็นการทอดผ้าป่าควบไปกับทอดทอิผ้า ถวายผาพภะกตินอย่างพวกบริวารทั้งหลายเราจะได้อา น, นิสง์แบบใดคะท่านคะบริวารทั้งหลายก็เหมือนกันให้ทาน ท, ทั่วไปอะน ะ, ะก็คือสมมติคุณให้ทานด้วยอะไรข้าวอาหารใช่ไหมคุณให้ทานปัจจัยสี่อันควรแกส่สามัญจะบริโภคอย่างนี้ก็คือคให้ให้ทานนั่นเองคือครู ป, ร, ปรูปแบบการให้อคุณโยมติว๋ว ค, คือพระเาบัญญัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าอ น, นิสง์ต่างๆอะไรก็เหมือนกับการให้ทานปกติ ดิฉนะันก็ถามไพูดได้ปัญญาอีกนิดหนึ่งเลยคะ่ะได้ๆแล้วสมมุติว่าเนี่ยมีคนชวนทําบุญสร้างเมียอเมีย น, นประเภท อ, อ่ า, อารักษาสภาพแวดล้อมอืมอันนี้ได้ได้บุญแบบเดียวกันกับที่ท่านพูดแล้วไหมนนะคะอะตรงนี้จะเป็นลักษณะของวิหารฐานคือเป็นที่ที่อยู่ที่ก่อสร้างน ะ, ะเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นที่อยู่เนี่ยอถ้าเราถวายแก่สรงที่มาจากทั้งสี่ทิศ เนะี่ยก็จะได้ได้บุญในในได้บุญมากเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ให้อยู่นะคะท่านคะนที่ปร่งสังขารของอคนที่เสียชีวิตแล้วอ่าใช่ก็คือร่างที่ไร้วิญญาณก็ก็เป็นพิกษุส่งเหมือนกันนะนะคือพิกษุส่งในที่นี้คือไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าต้องเป็นพระสงฆ์นะแต่เป็นคนที่มีศีลมีสมาธิปัญญาอย่างสมมุติเราสร้างกุฏิไว้สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยจะเป็นคารวะก็ตามเป็นพระก็ตามเนี่ยที่มาจากทุกคนอยู่ได้หมด แล้วก็ชื่อว่าสร้างวิหารถวายท่งที่มาทั้งที่สี่ิดเหมือนกันใช่ก็กล่าวนมัสการขอบพระคุณท่านไปบู์เป็นอย่างยิ่งเลย <This S 2> สำหรับวันนี้นะคะ <this. S 2> ได้ความรู้เรื่องทางมาแห่งบุญเยอะเลยค่ะมร <this. S 2> ส ก, การ ค, <This. S 2> ค่ะท่านฟังค่ะดิฉันเองกอ็เป็นประเภทที่ชอบโฆษณาในสิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ร่วมทำกุศลกัขอแถนอีกนิดหนึ่งถึงเรื่องใครที่อยากจะ ทอดกรินท่านทอดวัดไหนที่ฉันอนุโมทนาทั้งนั้นนะคะแล้วก็สําหรับที่วัดป่าดอนไฮโซ ข, ของพระพบูล์อภิปุโนนี้ก็จะมีการทอดกริ่นกันวันที่11เดือน11คือพฤศจิกายนวันที่11ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะท่านโทรศัพท์มาถามรายละเอียดที่0 2่6ูนย0 6เมื่อเดียวกับที่จะถามถึงวัฒนาป่าพงของท่านมารได้แล้วก็ขอหนังสือพุ้ทัวจนะได้ราการเปิด เ, เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังกันใหมค่ค่ะ พุทธวสดีค่ะ